ตลาดนัดโคกระบือที่วัดป่าบ้านตาดหลวงตามหาบัวท่านให้ความเมตตากับทุกชีวิตใครเอาช้างม้าวัวควายสัตว์สารพัชนิดมาปล่อยท่านก็เมตตารับไว้ในความอนุเคราะห์ของท่านแต่หลายคนก็เจ้าความคิดแรกๆก็เป็นวัวและควายที่ไปไถ่ชีวิตมาเอามาถวายให้ท่านขนมาทีละคู่ทั้งแม่และลูก ต่อมาก็กลายเป็นฝูงโดยเฉพาะในช่วงวันเกิดท่านวันที่12สิงหาคม2551รถบรรทุกวัวและควายกันเต็มคันวิ่งเข้าออกวัดตั้งแต่เช้ายันดึกทั้งรถเล็กและรถใหญ่เจ้าของวัวและควายที่กำลังจะขายส่งเข้าโรงเชืออเห็นเป็นโอกาสต่างขึ้นราคาไทยชีวิตสูงขึ้นอีกตัวละถึง5ถึงบาทซึ่งผู้มีใจบุญก็สู้ราคาด้วยความสงสารมัน มีวัวและควายมาร่วมกันเป็นจำนวนมากกว่าพันตัวจนล้นวัดต้องตั้งทีมทำงานทั้งพระและคารวาสคอยดูแลทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อรอส่งมอบให้แก่ผู้ต้องการนำไปเลี้ยงซึ่งคนเหล่านี้ต้องมีสัญญากับท่านว่าจะไม่นำไปฆ่าให้เลี้ยงเอาไว้เอาลูกหรือเอาไปทำงานจนสิ้นอายุไปเองในวันแจกวัวและควายมีผู้มาลงทะเบียนกันมากมาย เป็นคนมาจากจังหวัดโดยรอบอุดรงานนี้เป็นงานเ อ, อกเระเิกยิ่งกว่างานตลาดนัดโคกระบือตาหมู่บ้านเพราะเป็นงานบุญไม่เสียเงินซื้อขายอาศัยเพียงโชคใครโชคดีก็จับฉลากได้ไปเดินจูงวัวควายออกจากคอกชั่วคราวที่กว้างขวางประมาณเกือบสิบไร่ผู้คนที่ชุมนุมอยู่ต่างปรบมือยินดีกับโชคของเขาที่ได้วัวควายไปขุนเลี้ยงในที่สุด คอกที่เต็มจนล้นก็ว่างลงหญ้าที่เคยรกในคอกถูกย่ำจากกีบตีนวัวควายจนกลายเป็นพื้นดินราบเรียบเป็นดินที่อุดมไปด้วยปุ๋ยคอกอย่างดีเพราะได้ทั้งขี้ทั้งเยี่ยววัวควายคลุกคล้าจนเต็มผิวดินจากเดือนสิงหาคมมาจนขณะนี้เดือนตุลาคมหญ้ายังไม่สามารถงอกขึ้นมาได้เลยปุ๋ยคอกอาจจะแรงไปหน่อยก็ได้